พุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาที่ในเรื่องความเพียรมากเพราะว่าเชื่อว่าคนเราจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่การกระทําของตัวเองพุทธศาสนาบางทีก็มีชื่อว่าวิริยะวาทีวิริยะวาทีคือ คำสอนที่ในเรื่องความเพียรบางทีก็มีชื่อว่ากัมมวาทีคำสอนที่ในเรื่องกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำนะไม่ได้หมายถึงวิบากหรือผลจากการกระทาในอดีตพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าที่จะมาดลบันดาลให้เราสุขหรือทุกขนะ์ คนเราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวทำจะสูงหรือต่ำนะํำก็อยู่ที่ทําตัวนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวถ้าเราอยากจะมีความสุขมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านี้ก็ต้องอาศัยความเพียรคือการกระทําของตัวเอง บทสวดเมื่อกี้นี้ก็ในเรื่องความเพียรมากโดยพระปริฐานของพระพุทธองค์นี่ก็ชัดเจนแล้วก็น่าจะเป็นข้อคิดเตือนใจเร า, าพระองค์ว่านี่จะไม่หยุดยั้งความเพียรตราบใดที่ยังไม่บรรลุถึงประโยชน์ที่มนุษย์จะสามารถบรรลุได้แม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้ง แม้ว่ากระดูกนะจะไม่เหลือก็จะยังไม่ก็จะยังทําความเพียรต่อไปความเพียรนี่เป็นสิ่งที่ต้องระดมต้องทําไม่หยุดถึงหรือไม่ถึงสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ก็ยังต้องทําถึงแม้ว่าจะยังอยู่ไกล อย่างพระมาชนกที่ไหาน้ำข้ามหมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้นะคนบางคนนี่มองไม่เห็นฝั่งก็ทอ้อลนะแต่พระมาชนกนะท่านบำเพ็ญบา ร, รมีเดือดเพราะเรื่องความเพียรมากแม้มองไม่เห็นฝั่งก็ยังไหว้หนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้ว จนถึงวันที่เจ็ก็ยังมองไม่เห็นฝั่งนะก็ยังว่ยอยู่ตัดได้ที่ยงมีกำลังอันนี้ก็ก็ตรงกับที่พระพุทธองค์ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าหากว่ายังไม่บรรลุถึงประโยชน์ที่จะพึงได้จากการมาเป็นมนุษย์นะก็จะยังไม่หยึดความเพียรก็ทำความเพียรร่าไปแต่ครนี้ก็ต้องวางใจให้ถูกนะทำความเพียรแต่ว่า ถ้าทำด้วยใจที่โหมมันก็ไม่ถูกนะในพุทธการก็มีพระรูปหนึ่งชื่อพระโสนะท่านเป็นเป็นพระที่มีศรัทธาในการปฏิบัติมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะบรรลุธรรมให้ได้แล้วก็เดินจงกรม นะเดินไม่หยุดเลยแต่เนื่องจากท่านเป็นมาจากตระกูลผู้ดีนะเรียกว่ามีสุสขุมารชาติฝ่าเท้าท่านนี่นุ่มมากนะแต่ว่าพอมาเดินจงกรมนะเดินแล้วเดินเล่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ว่าเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นหรือค่าก็ปรากฏว่าฝ่าเท้าที่อ่อนก็แตก แต่แท่านก็ยังไม่หยุดนะก็จะเอาให้ได้แล้วก็ยังฝืนจนกระทั่งทางเดินจรงกรมนี้เรียกว่ามีรอยเลือดนะยิ่งทำก็ยิ่งทรมานท่านก็ยังไม่หยุดจนกระทังพระพุทธองค์นี้ต้องมาต้องมาต้องมาเตือนเตือนสติโดย ยกุปปามาถึงเรื่องนักดนตรีที่ดีดพินเนื่องจากท้าสนานีท่านอยู่ในตั้งเป็นนักดนตรีมาก่อนท่านก็รู้เรื่องนี้ดีพระพุทธองค์ก็เปรียบว่าเนี่ยพินถ้าตึงไปดี ก, ก็ไม่ดังาดีต ก, ก็ดังไม่เพราะถ้าย่อนไปก็ไม่เพราะเหมือนกันต้อง ขึงพอดีพอดนะีนั่นคือว่าให้ท่านเนี่ยวางใจพอดีพอดีอย่าไปหโหมทำจะเรียกว่ามีความเพียรแต่พอดีก็ได้พระโสนนก็เข้าใจนะที่พระองค์ได้สอนก็เลยถ้าทำความเพียรแต่พอดี แต่ไม่หยุดนะทำไม่หยุดแต่ว่าถึงเวลาก็พักพักแล้วก็ทำต่อัอ่นในสุดท่านก็บรรลุธรรมอันนี้ความเพลี่ยนแต่พอดีนี้เรามีคำเรียกนะเราไม่เรียกว่าทางสายกลางนะบางคนไม่เข้าใจว่าความเปลี่ยนแต่พดีนี้เรียกว่าทางสายกลางความเปลี่ยนแต่พอดีนี้เราเรียกว่าวิริยะสมมตาแต่ว่าเนื่องจาก อาจจะเป็นเพราะว่ามีการเปรียบเทียบกับพินสามสายแล้วก็เปรียบเทียบ ว, ว่าเออต้องวางใจให้เหมือนกับพินเส้นกลางสายกลางก็เลยมักเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าถ้าทําความเปลี่ยนตปลพอดีนี้เป็นทางสายกลางอันนั้นไม่ใช่นะทางสายกลางนี่มันหมายถึงทางทางที่ถูกต้องซึ่งจะจะเดินบนเส้นทางนี้ได้ต้องมีปัญญา รู้ว่าจุดหมายคืออะไรเมื่อรู้ว่าจุดหมายคืออะไรแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าทางสายกลางคือทางเส้นไหนมันไม่เหมือนมันไม่ไม่ใช่เกี่ยวความเพียร น, นะเพราะความเพียร น, นี่ถ้าเป็นความเพียรแต่พอดิลเราเรียกว่าวิทยาสมมาตาถึงแม้ว่าจะอยู่บนทางสายกลางแต่ว่าถ้าความเพียรไม่ดีนี่ก็ไม่ถึงเหมือนกันนะ อันนี้ต้องต้องแยกให้ชัดนะระหว่างทางสายกลางกับความเพียรแต่พอดีมันมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าความเพียรนี่เราก็ควรทําไม่หยุดนะแต่ว่าการวางใจก็วางใจให้เป็นด้วยถ้าทําด้วยด้วยจิตที่โหมที่คิจะเอานะไม่มีปัญญาปร ะ, ประกอบมันก็กลายเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติได้ เวลามีคนที่เรียกว่ากระขือ ก, กระหอบมาหรือว่ามีไฟแรงอยากจะมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็จะใช้วิธีที่หน่วงเนียวให้ใจเย็นๆก่อนอย่างพระอย่างภาหิยะเนี่ยเคยิดว่าตัวเป็นพระอรหันต์ตอนหลังรั่วมไม่ใช่แลพระพอรว่วมีพระอรหันต์ตัวจริงอยู่ ทีกลุงสวัรค์ีก็เรียกว่าตรงเข้าไปเดินไม่ได้หยุดไม่ได้หยอดเลยกลางคืนก็ไม่หยุดเพื่อที่จะไปเฝ้าแล้วก็เรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าไปเห็นพุเจ้ากำลังบินธบาตอยู่ก็รีบเข้าไปหาแล้วก็ขอให้พระองค์แสดงธรรมพระองค์ก็คงเห็นว่าภัยญาณนี้ยัง ยังเหนื่อยแล้วก็ยังยังอาจจะเรียกว่ายัางจิตใจเร่าร้อนอยู่จิตใจเร่าร้อนนี่มันก็ฟังจริรูธทมก็ไม่ไม่ดีนะท่านก็ปฏิเสธถึงสามครั้งแต่ว่าภรยยะก็รบเร้าในที่สุดคงหายเหนื่อยแล้วแล้วก็จิตใจเริ่มสงบ รองค์ก็แสดงธรรมสั้นๆไม่กี่ประโยคภัยยาก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเลยอันนี้เราจิตใจพร้อมนะจิตใจหย่อนไปก็ไม่ดีนะไม่เหมาะกับการฟังธรรมหรือว่ามีไฟแรงไปนะก็ไม่เหมาะมีคราวหนึ่งพระปัชชาสมณะอุปถา ของพระองค์เนี่ยเห็นสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นสวนมะม่วงเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากเห็นปุ๊บก็อยากไปเลยพระผู้ตรงก็หน่วงเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าไปด้วยความอยากเนี่ยมั น, ม, นมันไม่ค่อยเอื้อต่อการปฏิบัติเท่าไหร่ให้ใจเย็นๆก่อนนะแล้วถึงค่อยอนุญาตให้ไปในสภาพจิตมันต้องพร้อมนะ ไม่ใช่ว่ามีไฟแรงแล้วมันจะเหมาะอย่างมีมีเรื่องเล่านะเป็นนิทานเป็นนิทานเซนก็ได้ก็มีชายหนุ่มมาหาอาจารย์ซึ่งเป็นนักสอนฟันดาบเขามานี่มาด้วยใจที่กระตือรือร้นมากนะอยากให้ อาจารย์สอนเดี๋ยวนี้เลยอยากให้สอนให้จบนะภายใน1อาทิตย์จะได้กลับไปที่บ้านอาจารย์ก็เลยพูดว่าเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ได้หรอกนะมันต้อง1เดือนแกก็บอกว่าโอ้ยหนึ่งเดือนนานไปนะยังไงขอให้ได้หนึ่งอาทิตย์ก็แล้วกัน จะรีบกลับไปบ้านไปให้พ่อแม่ได้ดูฝีมืออาจารย์ก็เลยบอกงั้นสองอย่างที่ต้องสองเดือนแล้วล่ะนะยิ่งอยากสําเร็จเร็วๆนี้อาจารย์ก็ยิ่งนะก็ยิ่งถวงไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในสิทธิ์ลูกศิษย์ก็โอ้ยหนึ่งเดือนนี้หนึ่งอาทิตย์นี้หมดหวังแล้วอาจารย์บอกนี่ต้องสามเดือนแล้วแบบเนี้สุดท้ายก็ยอมนะอาจารย์ว่าสามเดือนก็สามเดือน ในสุก็ลองก็มาเรียนกับอาจารยนะ์พอใจสงบแล้วเนี่ยการเรียนก็ไปได้ดีนะไม่ถึง3มเดือนไม่ถึงสองเดือนนะไม่ถึงหนึ่งเดือนด้วยซ้ำนะก็สามารถสําเร็จวิชาได้ถ้าคนที่มาด้วยไฟแรงอยากให้เสร็จเร็วๆ เ, เนี่ยครูบาอาจารย์นี้ท่านยิ่งยิ่งทรมานใหญ่ทรมานในที่หมายในการฝึกใจ ไม่ให้มีความคาดหวังเพราะความคาดหวังนั่นแหละเป็นอุปสรรคพวกเราถ้ามาปฏิบัติมาด้วยความคาดหวังนะมาสามเดือนทำมาสามวันห้าวันนี่อยากจะได้นะอยากจะได้รู้ทำรรไวๆนี่อันนี้ก็เตรียมนะเตรียมล้มเหลวได้เลยนะเพราะว่าไอ้ความอยากมันจะเป็นอุปสรรคแม้ว่า มันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการทำให้เกิดความเพียรยิ่งยากมากๆยิ่งมีความเพียรแต่ว่าความเพียรมากๆเนี่ยถ้าไม่มีวิริยสมมาตานี่ก็ทำให้การปฏิบัติลาบากนะหลงพอเทียนท่านบอกผู้ปฏิบัติใหม่ๆนะอาตมาไปถึงท่านก็พูดไม่กี่ประโยคล น, นะไม่ถึง5านาทีแต่ว่าประโยชน์หนึ่งที่ท่านพูดตั้งแต่แรกๆเลยก็คือบอกว่าเนี่ยให้ทําเลื่อน นะแต่ทำจริงๆทําทำเล่นๆ่นหมายความว่าให้วางใจสบายสบา ย, บายอย่าไปอยากเอาอยากได้อย่าไปทำด้วยอาการหน้าดำําเครียดแต่ให้ทำจริงๆคือทำเรื่อยๆทำทำไม่หยุดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ทำเลยจะอยู่ในอิเลียบทใดก็ก็ทำก็คือมีสตินะมีสตินะรู้กายเคลื่อนไหวใหม่ๆก็ให้รู้กายเคลื่อนไหวก่อน นะอย่าไปสนใจวาัญาใจมีคิดนึงอะไรให้มีรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวไม่ว่าทํอะไรก็ตามไม่ใช่แต่เฉพาะสร้างจงังหวะเดินจงกรมนะจะถูฟันอาบน้าเดินบินทบาทหรือว่าหั่นผักทําครัวตักน้ำอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นก็ให้รู้สึกตัวไป แต่จะทำด้วยความอยากเพราะไม่งั้นมันจะจ้องจะเพ่ง <Yeah. S 1> ยิ่งหลับตาด้วยเนี่ยยิ่งจ้องยิ่งเพ่งเข้าไปใหญ <Yeah. S 1> ่การปฏิบัตินี้ท่านไม่ไม่ส่งเสริมให้หลับตาให้เปิดตาแล้วมันก็มีประโยชน์หลายอยา่าง <Yeah. S 1> เพราะถ้าหลับตาแล้วใจก็จะไปเพ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็หรือไม่ไปจ้องก็จะไปจ้องเพ่งที่มือหรือไม่ก็ไปจ้อ ง, ไ ป, องไปเพ่งที่ความคิด คอยไปดักไม่ให้ความคิดมันออกมาีท่ทำไปนานๆก็จะเครียดเสร็จแล้วก็จะแน่นหน้าอกนะคนคนที่ตั้งใจมากๆนี่จะรู้สึกแน่นหน้าอกนะปวดหัวลองสังเกตดูเวลาเราเห็นความคิดแล้วเราไปห้ามความคิดนะ่คนที่ไปวางใจไม่เป็นเนี่ยก็จะไปห้ามความคิด อันนี้เพราะจ้องมันเอาไว้แล้วสังเกตรรุไวาเวลาเวลาไปห้ามความคิดเนี่ยจะ ก, กั้นหายใจนะคนเวลาเพ่งเนี่ยจะมีอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่คือกลั้นหายใจเหมือนกับเวลาเราเราจะสนเข็มเนี่ยลองสังเกตรหรือเวลาเราสนเข็มเนี่ยเราจะกั้นหายใจเพราะเราต้องการเพ่งให้เราก็ เราก็กั้นหายใจเป็นการเวลาเราไปเพ่งความคิดแล้วก็ไปห้ามความคิดพอกั้นหายใจบ่อยๆพอไปหยุดความคิดบ่อยๆก็กั้นหายใจบ่อยๆก็จะรูส้สึกแน่นหน้าอกสังเกตดูกาย ต, ตัวเองนะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหน้าดําค้าเคร่งไหมกัดฟันหรือเปล่านะเดินเกร็งไหมสร้างจังหวะเกร็งหรือเปล่าเนี่ยมันคืออาการทางกายที่เราควรจะรู้ บางทีทำก็ไม่รู้ตัวนะทำไปก็เกรงไปนะกัดฟันหน้านิว้วคือขมวดนะสํารวจร่างกายของเราอันนี้มันก็สะท้อนจากใจที่คิดจะเอาใจทีนะ่ใจที่จ้องใจที่เพ่งไม่ได้ทําด้วยความความรู้สึกว่าทําเล่นๆถ้าทําเล่นๆ น, นี่มันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อะไรที่ฟุ้งไปเออรู้ตัวก็ผ่านเลยไป ไม่มาเสียดงเสียดายไม่มาโมโห О, ไม่หงุดหงิดตัวเองเราก็จะไม่มีการเพ่งด้วยดัง น, นความเครียดนี่มันก็เป็นเป็นสัญญาณนะทำแล้วเครียดเป็นสัญญาณว่าเราทําผิดแล้วเราวางใจผิดไม่ได้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เพราะว่าวิ่เดินผิดท่าหรือว่าสร้างจังหวะผิดท่านั่นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องรูปแบบไม่สําคัญเลยสิ่งสําคัญกว่าก็คือ การวางใจนะที่วางใจไม่เป็นการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่การวางใจนะมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแถ้าวางใจเป็นเนี่ยเช่นมีสติรู้ตัวอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเพียร น, นะแม้ว่าจะนั่งอยู่ในกุฏนะิแม้ว่าจะนอนแต่ว่ามีสติรู้ตัว เห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นถ้าปล่อยวางถ้าความนึกคิดต่างๆได้อันนี้พระพุทธองค์ก็ว่า น, นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียร น, นะในขณะที่บางคนเดินจงกรมหน้าดำคร่าเคร่งนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ ท, ทำความเพียรก็ได้เพราะปล่อยใจฟุ้งตลอดเลยนะมันอยู่ที่การมันอยู่ที่ข้างในใจนะ อยู่ที่การวางใจวางใจไม่เป็นนี่ก็ทําเท่าไหร่มันก็ฟาวหรือว่าฟรีฉันทำอย่างเดียวกันแต่ว่าวางใจไม่เป็นก็ผิดเหมือนกันนะอย่างเช่นยกมือสร้างจังหวะแต่ว่าใจเนี่วางไม่ถูกบางทีไปเพ่งมั่งหรือว่ายกมือสร้างจังหวะแต่ว่าคอยฟัง ก็าอาตมาพูดอะไรพอตรงไหนไม่ไม่เข้าใจหรือตรงไหนสงสัยก็คิดอันนี้เรียกว่าวางใจไม่ถูกถ้าเรากำลังยกมือสร้างจังหวะก็ให้เรารู้สึกตัวการสร้างจังหวะส่วนคําพูดที่ได้ยินนั่นก็ให้สักแต่ว่าได้ยินให้มันผ่านหูไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดอันไหนไม่ ฟังไม่รู้เรื่องก็ปล่อยมันผ่านเลยไปไม่ใช่สร้างจังหวะไปด้วยคอยฟังไปด้วยว่าอาตมากําลังพูดอะไรอันนี้มันทำสองอย่างก็เลยไม่รู้เอาความรู้สึกตัวไปวางไว้ที่ไหนแน่ไม่รู้จะมีสติที่ตรงไหนแน่มีสติกับการฟังหรือมีสติกับการสร้างจังหวะทําให้มันเป็นอย่างๆแล้วเห็นบางคนก็จะไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะก็จะไปจะไปเคี้ยวเขาไม่ปฏิบัติแล้วก็ า, าจะปฏิบัติอยู่ก็ได้ ปฏิบัติด้วยการฟังอย่างมีสติฟังอย่างมีสติก็หมายความว่าเออก็ฟังไปฟังไปเรื่อยๆนะแม้ตรงไหนไม่เข้าใจก็ก็ไม่มามาคุ้นคิดกับเรื่องนั้นจนกระทั่งลืมไปว่าอัตมาพูดไปถึงไหนแล้วก็ก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะหรือว่า ขณะที่ฟังอยู่ใจลอยไปโน่นไปนี่อันนั้นก็ไม่ใช่ว่าฟังอยมีสตินะพังอย่ามีสติคือตามไปเรื่อยนะแล้วก็ผ่านไปได้ตลอดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านวอกแวกไปที่อื่นแล้วก็ไม่ติดขัดนะอยู่กับคําพูดที่มันเป็นคําพูดในอดีตบางทีเรา ไปมองว่าโอ้ต้องนั่งสร้างจังหวะไปด้วยนะถึงจะ้เรียบปฏิบัติมีบางคนก็หวังดีนะก็ไปไปพูดไปแนะนําเพื่อนนักปฏิบัติว่าทำไมไม่ยกมือสร้างจังหวงนะก็ไปอาจจะไปตัดสินว่าเขากำลังไม่ปฏิบัติอันนี้แสดงว่าตัวเองอาจจะยังไม่เข้าใจถูกต้องว่า ปฏิบัตินี่มันทำหลายรูปแบบไม่ใช่ว่าต้องยกมือสร้างจังหวะถึงไม่ยกมือเขาก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติด้วยการฟังอย่างมีสติก็ได้นะฉะนั้นอย่าไปติดที่รูปแบบบางทีการกระทาอย่างเดียวกันอาจจะอันหนึ่งเป็นการปฏิบัติอันหนึ่งไม่ใช่การปฏิบัติก็ได้อย่างมีวัยรุ่นสองคนนี่คนหนึ่งก็ไปถามอาจารย์ เป็นวัยรุ่นนี่ก็อยากจะกินขนมนะก็ถามอาจารย์ว่าปฏิบัติไปด้วยกินขนมไปด้วยได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ให้นะส่วนอีกคนหนึ่งก็ไปถามอาจารย์วา่ากินขนมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยได้ไหมอาจารย์กลับอนุ ญ, ญาต นมันก็แปลกนะคนแรกก็สงสัยทำไมจ่าไม่อาามนุ ญ, ญาต Nvidia นะท่าน้่าที่อากับกริยาภายนอกก็เหมือนกันนะ <c oughs> คนนึงปฏิบัติไปด้วยกินไปด้วยอีกคนหนึ่งกินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอากับกริยาภายนอกเนี่ยของสองคนนี่เหมือนกันแต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนกันนะคนแลนี่กินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยกินไปด้วยนี่มันมันก็ไม่มี เรียกว่าจิตมันก็ไม่มีสมาธิก็ใจก็จะเพลิอการกินนะการกินเนะบื่อการปฏิบัติก็เลยอยากจะหาขนมมามาเพิ่มรสชาติใหนะ้อันนี้มันก็เป็นอุปสรรคการปฏิบัติส่วนข้อที่สองนี่ก็เขาบอกว่า กินไปด้วยปฏิบัติไปด้วยอันนี้มันทำได้นะ <Yeah. S 1> ในระหว่างที่เรากินไม่่ากินขนมหรือกินอาหารล้วก็ปฏิบัติคือมีสตริรู้ในรสชาติของอาหารในรสชาติขนมนะรู้แล้วก็วางได้นะไม่ใช่รู้แล้วก็ทราบรู้ไม่ใช่ว่ากินไปแล้วอร่อยก็ซึมทราบอยู่ในรสชาติหลงเพลินอยู่กับในรสชาติอันนั้นไม่ใช่ กินขนมไปด้วยปฏิบัติไปด้วยก็ได้นะแต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยกินขนมไปด้วยนี่มันไม่ถูกแล้วละ่ะนะอันนี้มันมันต้องแยกแยกให้ดีนะเรื่องการปฏิบัติให้เราปฏิบัตินี่วางใจให้ถูกอย่าไปรีดเค้นเอาสติออกมานะสตินี่ การปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนำก็คือการทำให้สติพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติก็คือมีความรู้สึกตัวมีความระลึกได้นะในในความคิดนึกแต่ก่อนที่จะไปถึงตนนั้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวก่อนสังเกตหรือเปล่าเวลาเราเคลื่อนไหวมือไปมาหรือเดินจังกรมเนี่ยใจนี่มันไปไหน ใจนี่มันคอยออกนอกตัวอยู่เรื่อยพอมันออกไปคิดออกไปที่บ้านไปที่ทำงานก็ความรู้สึกตัวก็หายไปความรู้สึกความรู้สึกตัวว่าเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวว่าเดินมันก็ไม่มีแต่ถ้ามีสติรู้ตัวว่าเผลอไปก็กลับมากลับมาอยู่กับกายนะถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ไวขึ้นแต่ก่อนมันเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไปไกลเลยเที่ยวไปนานด้วย ตัวอยู่นี่แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนแต่ต่อมามันก็จะรู้แล้วก็ไวก็กลับมาอยู่กับกายรู้สึกตัวแล้เดี๋ยวก็ไปที่วันนี้มันมีหมาตัวนึงนชื่อปุปกกี้ตอนที่ยังไม่แก่เนี่ยปุกกี้นี่เนี่ยชอบชอบเดินชอบเดินไปกับคนเวลาเดินจงกลมเนี่ย เวลาพาคนเดินจงกรมรอบศาลเนี่ยปุกกิมก็จะคอยมาเดินด้วยคอยมาเดินอยู่แถวหัวแถวคืออยู่ยๆก้าวตา ม, มาเรเดินไปสักพักมันก็จะวิ่งไปข้างหน้าเราก็ไปคุยไปขุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะสักพักมันก็จะกลับมาเดินอยู่กับก้าวต่อ ม, มาเรเดินคู่สักพักเสร็จก็ไปก็แล้ ไปห า, มาแมลงไปไล่มแมลงสักอย่างตามพงหญ้าข้างๆแต่มันไปไม่นานนะก็กลับมากลับมาเสร็ จ, รจก็เดินแล้วก็ออกไปคุย<ป>หาอะไรข้างนอกแล้วกลับมาอีกก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มันกระจายเรานะใจเราเนี่ยใจนี้ก็เหมือนกับปุกกี้นั่นแหละ มันก็แว บ, บไปโน่นแวบบไปนี่แต่ว่ามันมันทามันแับไปแม่ น, น้านก็กลับมากลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่ัคนเดินนะถ้าเป็นหมาที่ยังไม่ได้ฝึกหรือเป็นหมาที่ช่างเที่ยวเนี่ยก็จะไปไกลเลยนะบางทีลืมเจ้าของไปเลยลืมอตาต ม, มาไปเลยแต่ว่าปกุก้มันไม่ลืมมันออกไปเล่นข้างหน้าสักพักเดี๋ยวก็จาได้ก็กลับมา เดินข้างๆตามมาเดี๋ยวก็ไปแล้วแต่ไปไม่ไกล <c oughs> ว่จิตที่ไม่มีการฝึกนะมันก็จะไม่ได้แบบนี้มันจะไปไกลเลยไปเที่ย ว, ล, วลืมเจ้าของแต่ว่าจิตที่มีการฝึกดีก็เหมือนกับมาที่มันไปไม่ไกลสักพักก็จำได้จำเจ้าของแล้วกลับมาจิตที่มีสติคืคอจิตที่จำได้ จำว่ากายกําลังทำอะไรก็กลับมาอยู่กับกายอยู่กับการกระทําของกายเนะี่มืว่าจะเป็นสร้างจังหวะเดินจงกลมถูฝันดับน้ํามันจําได้เร็วมันเผลอไปสักพักมันลืมตัวนะจิตมันลืมตัวสังเกตว่าจิตเราลืมลืมตัวบ่อยบ่หลงลืมนะความหลงลืมเนี่ยคือความลืมนี่มันตรงข้ามกับสติสติคือความระลึกได้จำจำได้นะ เวลาเราจะจําอะไรเนี่ยเราทําได้2อย่างอย่ที่หนคือตั้งใจจำนะตั้งใจจำเชื่อเราท่องสับนี่เราก็ท่องตั้งใจจําให้ได้เสร็จแล้วพอเรามันอยู่ในความทรงจําแล้วพอเห็นศัพท์เราก็จําได้ว่าศัพท์นี้แปลว่าอะไรไอ้ตอนที่เราลึกได้ว่าศัพท์นี้แปลว่าอะไรเนี่ยนะมันมันออกมาเองนะ หลังจากที่ความจําเราจําแม่นเนี่ยพอเห็นสัมเนีายก็จําได้เลยแต่บางทีเรานึกไม่ออกก็พยายามเค้นให้ได้ว่ามันมันแปลว่าอะไรนะเหมือนกับเราพยายามจําชื่อคนเราเห็นคนบางคนแล้วก็เราก็นึกชื่อไม่ออกแล้วก็พยายามเค้นว่าเอ๊เขาชื่ออะไรนะนะอันนี้เราเป็นความพยายามตั้งใจเราลึกได้ซึ่งพอเค้นไปสักพักหรือว่าตั้งใจสักพักก็เราลึกได้ว่าเขาชื่ออะไรหรือเวลาเราจะ โทรศัพท์ถึงเพื่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะก็ต้องก็ต้องตั้งใจคิดตั้งใจนึกว่าเบอร์อะไรนะอันนี้คือความตั้งใจตั้งใจคิดตั้งใจนึกตั้งใจจำให้ได้แต่ว่ามันมีมันมีอีกแบบนึงคือว่ามันนึกขึ้นมาได้เองนะเราพยายามนึกชื่อเพื่อนแต่นึกไม่ออก แต่ว่าพอทำใจสบายๆทำานวนทำนี่สักพักเออนึกนึกออกขึ้นมาได้ให้เราไอ้ความระลึกได้แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้น เ, เองโดยที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่มันมันทำงานของมันเองแล้วก็เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเวลาเราทำงานทำงานเพลินแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูกแล้วเนี่ยนะนี่เลยเวลารับรปปลูกไปละ ถามว่ามันนึกได้ยังไงมันนึกออกมาได้เองหรือว่าดูโทรทัศน์เพลินแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ยเรามันเลยเวลานัดเพื่อนไปลนะนะมันนึกขึ้นมาได้เองไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือว่าดูโทรทัศน์เพลินแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งน้าร้อนเอาไว้ต้องรีบไปยกกาออกจากเตา ความละลึกได้นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาเองนะไม่ได้ตั้งใจให้การปฏิบัตินะที่เรากาลังทาอยู่ก็เหมือนกันนะใจมันเผลอคิดไปหลายเรื่องอะไรเราเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าอนี่เรากำลังปฏิบัติอยู่กำลังยกมือสร้างจังหวะอยู่กำลังเดินจงกลมอยู่มันนึกขึ้นมาได้เองนะ และพอนึบขึ้นมาได้เนี่ยไอความพุ่งสร้างเรื่องราวต่างๆที่นึกที่ที่นึกเป็นคุ้งเป็นคลมก็หายไปมันเลือนหายไปเองเมื่อมีสติรละลึกได้ขึ้นมามันหายไปเองโดยที่ไม่จําเป็นว่าไปกดไปห้ามมันนะลองสังเกตดูถ้าความคิดมันหายมันดับไปจากการที่เราไปตั้งใจกดมันเอาไวนะ้นั่นอันนั้นไม่ใช่แล้วนะ แต่ถ้าเป็นสติถ้าเป็นความคิดถ้าเป็นแต่ถ้ามีสติเนี่ยความระลึกได้เนี่ยให้ความฟุ้งซ่าน ม, มันจะมันจะเลือนหายไปเองไม่ได้เกิดจากการที่เราไปบังคับหรือไปกดข่มมันเอาไว้มันเลือนหายไปเพราะว่าสติเกิดขึ้นมาแล้วสติเกิดขึ้นมาอย่างไงเกิดขึ้นมาเองนะแต่สติเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตามยถากรรมแนละ้วมันต้องเกิดจากการปฏบิบัติบ่อยๆด้วย ปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆมันก็นึกขึ้นมาได้ไวเหมือนกับเรานึกคำศัพท์ภาษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆท่องจําบ่อยๆมันก็นึกขึ้นมาได้ไวแต่ถ้าเราไม่ค่อยฝึกเท่าไหร่มันก็นึกขึ้นมาได้ช้าบางทีก็นึกไม่ออกเลยการปฏิบัติก็เหมือนกันแล้วก็ทํำบ่อยๆทำบ่อยๆคือให้มีความระลึกได้บ่อยๆแต่ก่อนคิด10เรื่องถึงจะระลึกระลึกได้ แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่พอทำไปทำไปทำไปแบบวางใจให้เป็นให้ถูกนะมันก็จะลึกได้ไวจาก1ิบเรื่องก็กลายเป็นแดเรื่องหกเรื่องห้าเรื่องไม่ยืดยาวเหมือนก่อนนะก็เหมือนกับปุ๊กกี้มันพอมันไปเล่นอะไรสักพักก็จำได้เอา้ากลับมากลับมาเดินอยู่เคียงข้างหัวแถว เดินสักพัก็ก็ลืมไปแล้วไปเที่ยวมีสิ่งยั่วยุอยากรูอยากเห็นก็ไปดูข้างหน้าสักพักนึกขึ้นมาได้เอากลับมานั่นะจิตลอมจะเป็นอย่างนั้นคือมันเกิดจาการฝึกบ่อยๆฝึกไม่ได้ไม่ได้ฝึกด้วยการไปบังคับมันแต่ว่าทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆความระลึกใต้ก็จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นวางใจให้ถูกนะแม้ว่า เราจะใน้เรื่องความเพียรเราต้องทำความเพียรเต็มที่แต่ ว, ว่าวางใจให้เป็นถ้าวางใจไม่เป็นในความเพียร น, นั้นก็จะกลายเป็นหน้าดำคำเคร่งไปเอาละก็พูดกันเท่านี้สาัุ